อยู่ลงแามไม่ใช่ง่ายนะลําบากลําบากลาบากหลายอย่างนั่นแหละก็คือไม่ได้ตามใจนั่นเองมีนํา ำ, ำํามีคนเท่าคนแก่มาอยู่ด้วยคนเท่าคนแก่ที่นี่ก็ต้องเป็นคนหนุ่มไม่มีเท่ามีแก่ที่นี่จะ ต, ต้องหนุ่มหนุ่มยังไงก็คือทําได้เหมือนคนหนุ่มนะคนหนุ่มเขาทำยังไงเขาทำอย่างนั้นเนละมีการมีงานทําได้เองโดยธรรมชาติอะไรควร ท, วรทําให้คนทำเลยเขาทํา แต่มาว่าที่เขาอยู่ได้ไม่คิดว่าไม่คิดนะไม่เคยคิดนัว่าเขาไม่เข้าหนะน้าคนมันต้องปล่อยวางได้มันถึงอยู่ได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นะไอเ น, นี่ยปล่อยวางร่างกายสังขารตัวเราเป็นโครคไัยไข้เจ็บปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางความทุกข์อดทนต่อคําสอนดูด่าว่าเก่าวทุกวันทุกวันเนี่ยหลายคนนมาอยู่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงปีไปแล้วตระเริดเปิดเปลงไปแล้วเพราะ เอดทนไม่ได้เหนื่อยในคําสอนที่เกียดตา ม, ตามเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กันอยู่การกินอันหนึ่งก็คืออารมณ์รักความรักรักผู้หญิงรักผู้ชายปบะมาณนี้ก็อยู่ไม่ได้แต่พวกเราเท่าไหร่ที่อยู่ถึงไม่อยู่ไม่มากอยู่ด้วยกันน้อยแต่ก็อยู่แบบครอบครัวอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ดูรู้เป้าหมายของใครของมันที่มาอยู่ที่นี่ก็คืออันเดียวกันนะทางคนต่างฝึกฝนอบรมจิตตัวเอง นั่นอยู่แบบสดใสที่นี้่แบบสบายสบายไม่ได้เคร่งเครียดเค่งคัดอยู่จะไม่เคร่งเครียดมีวินัยแต่เหมือนไม่มีวินัยไม่มีวินัยก็เหมือนมีวินัยมีทำก็เหมือนไม่มีทำไม่มีทำก็เหมือนมีทำเราก็ไม่ได้ถึงกับเป็นพระแบบโบราณไม่มีโทรทัศน์มีหมดนะมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนาฬิกาคอมพิวเตอร์มีหมดนะจอเล็กจอน้อยมีหมด่ะ มีมดแต่ใช้เป็นทนั่นเองเราไม่ได้เสร็จไม่ใช่พกรรมฐานรองเท้าก็ไม่ใส่ไม้แปรงสีฟันก็เอาไม้ขนแม่เราก็ใช้แปรงอยู่ออร์เรนบีเราก็ใช้ที่นี่ก็คือใช้แบบโลกๆนั่นแหละแต่เราเราไม่ติดกับโลกนั้นนะที่นี่เราก็ใช้มิอะไรนะ m อ็มบเอมบราก็ใช้คนมาแตา่ไวแต่จะให้เป็นเจ้าภาพสมไม่เอา ยาสีเขียวเขายังไม่ถวายเอาเมื่ตั้งแต่ดอกบัวคู่ดอกบัวเดียวเหมือนน้ำหมดสียังกับสีไปบางทีเขาจนปากพุ่งไปหาหมอกมาหลวงพ่อเปลี่ยนยาสีฟันใช่ไหมบางทีเปลี่ยนมันมีอยังกระถูเข้าไป่โอ้หมูเป็นสีแล้วบางเทีแง่มจนเขาบอกมาถวายบีบแล้วบีบบีบหีดไปนำเขก็ยมบวบอกนี่เอยาสีฟันกับอะไรโนั้นท่อนทุบๆเพื่อมันออกมาเนี่ย แต่ทุกวันนี้ก็ ก, ก็ก็มีสะดวกสบายอยู่ยาชีพันโยมมาปฏิบัติธรรมที่ไม่มียาชีพันม า, าเอาของเก่าพระแปลงชีพันเก่าพระก็มีพอไปใช้ได้พระเอาของใหม่ไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่เดี๋ยวนี้มันของใช้นี่มันเยอะเนี่ยผ้าห่มผ้าถือเนี่ยเยอะแยะไปอ่ะแต่คนนี้มันมีความอยากมันอยากได้อันสวยๆงามๆดีๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไมจะจบเป็นเหรอ ลุงตาพาเก่าๆลงตากระ น, นุงมาดอกน้ำเก่าไม่ค่อยมีอย่างปานใดดอกเฮ็ดไป น, นําเพลนมีดโกนเขามาถวายก็โกนจน ม, มันหมดคมพไปละที่ยิงกับพ่อรุ้ยอยู่แต่กับแต่มันเป็นตัวอย่างครับทำเป็นตัวอย่างพากระส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกพระพุทธเจ้าท่นานใช้ผ้าเนี่ยผ้าเก่าๆก็ไปเหยียบทำผ้าเช็ดเท้าไป ท, ทําเช็ดเท้าก็ไปผสม โคลนสมปูลฉากุติดูดที่แต่ที่เราฟังเอาญ้าท่านก็นเอาผ้าเสียผ้าคือไม่ให้เหลือใช้เป็นประโยชน์จนหมดนะ่ะพระเจ้าประเสียนที่โกศลไปถามใส่ผ้าเจ้าไหนเนี่เอาถวายหลายไปเนี้เอาผ้าเช็ดยังแน่เนี่ยเปล่าใส่จนหมดเลยโยมเลยน่ะว่ได้เหลือเจ้ากันละมาคิดดูพวกเราทุก ว, วันเนี่ยผ้าเยอะแยญ่ไปทิ้งเกินกาดเป็นตัวอย่างเห็นไหมเช็ดบาดเราก็เช็ดเองนะเอาผ้าเช็ดี่มีผ้าเช็ด ไม่ใช่กระดาษถ้ากระดาษคือเหมือนทำลายโลกต้นไม้หักเป็นโคนๆเป็นต้นเป็นต้นนั่นนะพี่ะนั้นเราก็เชด็ดทำควาสะอาดเอาไรีเซเคิลสักผ้กามาถูอีกเนี่ยเชด็ดกีโมกเช็ดอะไรตนะ่ะกระดาษที่ทู้ไม่มีแต่ก็ว่าใช้อะไรที่มันคือเดี๋ยวนี้คือทำสังคมที่เป็นตัวอย่างของคนอื่นเนี่ยกินน้อยนอนน้อยกินอย่างตำ่ำนอนอย่างตำ่ำแต่มุ่งหวังการกระทำอย่างสูงยกระดับจิตใจคนนั่นแหละแต่โยมเน่ะกินอย่างสูงนอนก็ อย่างสูงมุ่งหวังการกระทาต่ำๆดูดิสวนกระแสเนาะอยู่กับความจริงนะ่ะชีวิตที่อยู่กับความจริงคนปฏิบัติธรรมเนี่อยู่กับความจริงนะอยูค่ความจริงของที่ไม่ได้อยู่กับมายานะ <c oughs> มียายสมเพศเวทนาเนี่ยคุณยายสมเพศเวทนาเป็นคนบ้านเนี่ยบ้านปูเพกเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่หรอกชอบซื้อเลขเขามีแข่งมินิมาราธอนเนะ่ยวิ่งขึ้นปูเพกเนี่ยแกก็ไปแข่งกับเขานะ คือไปวิ่งออกกําลังไงมาตื่นดึกลูกชาวพ่อสุวบรณแล้วก็ไปแข่งกับเขาเขาแข่งก็แข่งมินิฮาร์มมาลาทอนวิ่งจากาึกษานสุาขขึ้นบูเพ็กเนี่ยแกก็ไปแข่งกับเขานักแข่งมาจากต่างจังหวัดต่างโน่นต่างนี่ปรากฏว่าแกได้ที่หนึ่งเห็นไหมแกวิ่งนะ่ะขนาดไม่รู้เรื่องนะโลตาพูดให้ฟังเนี่ยพูดเพื่ออะไรให้ว่าคนมันอยู่กับความจริงนะ่ะยายสมเพศนี่อยู่กับความจริง คนร้ายเป็นห้าร้อยหกร้อยเนจะวิ่งขึ้นปูเพกเนี่ยแกก็ไปยืนกับเขาไม่รู้ว่าวิ่งมาราธอนเขายังไงยูยูยขณะที่กาลังจัดเที่ยวเขาไม่รู้ใครยิงปืนขึ้นแกว่าตุ้มกันมาจนแตกหนีกันไวเขาไปแล้วเขาว่าหนีเด้อนีเด้อแกแก็หนีกับเขาไม่รู้ว่าสัญญาณเขาออกสตาร์ทหรืนะโอ้แกว่าจะมาแข่งยังมายิงกันอีกแกว่าเนาะ แกก็วิ่งออกน่ะเขาว่าไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไม่ต้องหยุดเขาวันแกก็เลยวิ่งวิ่งไปเรื่อยเรืยเร่เรื่อยวิ่งไปเรื่อยจนขึ้นถึงยอดน่ น, นะยังไม่รู้ว่าเขาเริ่มต้นยังไงก็ยังไม่รู้นะเห็นดูดิเนี่ยดูกับความจริงป้าก็ว่าขึ้นไปแล้วเขาว่าประกาศว่าใดรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาถึงก่อนเขาให้ถ้วยแกบอกให้ถ้วยน้อยๆหลวงตาคนที่สองได้พัดลมใหญ่มากโยมก็ไปเปลี่ยนเน่าแล้วแกว่า เห็นไหมเนี่ยแกอยู่กับความจริงไงแกก็ไปเปลี่ยนนอพัดลมใหญ่ๆนั่นขอได้ไหมตัวนี้แกว่าเอาถ้วยน้อยนี่ไปแกว่าก็ไปอยากได้อ น, นี่ใส่เจียวก็ไม่ได้แกไม่เอาเนี่ยโอ้โออยู่กับความจริงแล้วก็มาอ้างลุงตาหนี้นี่ได้เนี่ยอันนี้เขาว่าได้ที่สองนะยายเพ็ทที่สองก็ต้งมาเปิดเย็นได้แกว่าอันนั้นมันไม่เย็นถ้วนยน้อยนั่นน่ะกงให้เขาคนนั้นก็เลยภูมิใจก็เลยเป็นตานานอยู่โอ้อยายสมบิษณ์เนี่ยอยู่กับความจริงเนาะโยมเนี่ว่า เนี่ยวอะไมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราก็เอาเด้แต่ว่าเอามาคืนใช่เจ้าเอาอันนี้ไปคอยเบ้าอันนี้แล้วก็คอยจะได้พออาร่มใหญ่ๆนะจะวีเห็นแล้วาาก็เห็นความเล่าเนี่ยครับแต่ของพวกเรานี่อยู่กับลาบกับยศกับสารเสริญเนี่ยกับถ้วยกาไก่ในน้อยนั้นอของเราจกให้เขาห่องเขายงอกแล้ว เ, เป็นมีอะไรไที่ควรเหอามันไม่มีมีแต่มแตีแต่ละแต่วางไปไปฏิบัติธรรมใดอย่างไี้ถ้าเบิ้งได้นี่บัดเมื่อนี้เขาทีถาม ไปปฏิบัติทําได้อะไรมาบ้างบางคนปฏิวัติได้โอ้เป็นคือสิี๊ยหอได้เนาะไปปฏิบัติธรรมมากตอบเขาไปโหลดเด้อ่อย่ได้ไปเลี้ยนหอจะเนาะคอยไปเลี้ยนรูซึกโต๊ะกันไปเลี้ยนหอ่ อ, อ, ยย อ, ยยห อ, อยกระเจี๊ยหอได้เลยไหมจะเนอกอันนี้เพื่นอนปฏิย้อนหอไหมซ้อนปฏิบัติธรรมให้แข้นเอวไป น, นิพพานนําในเด้อบางคนมันไปเย่ะเย่อยเหยอเฮานี่อือ ก็บอกเขาโอ้บรทพชนได้ไปฝึกสติไปปล่อยว่างเพื่อบอกให้เอาหยั่งแต่ว่าผมก็เหตุบรทพชนได้ดอกดิสันก็เหตุบรทพชนได้ปล่อยว่างบรทพชนใดเยาว์แห่งใดได้นนิยังศูนย์อยู่เด้ะเดนน้อกมันปล่อยว่างบรทพชนใดบรรพไดอารมณ์เสียก็มีเด๊เดนนะแต่ก็ฝึกเต็มที่แล้วมันบรทพชนใดบอกมันมันจิตใดลดแต่บางคนเขาไมาฝึกเขากระได้เลยได้ได้ปล่อยว่างเลได้ปล่อยว่างที่เป็นทุกข์เพราะหยั่งเพราะบาปล่อยว่างมาปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยว่าง ปล่อยลงวางลงแต่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะปล่อยทิ้งกับปล่อยวางคนละอันกันเด้ปล่อยทิ้งก็คือไม่สนใจใครเลยเมื่อนี่ก็บอกกวาดปล่อยเงื่อนกับฮกพ่อตายมาเถอส่งเสือกับกองออยเยาะโยนนี่เขาเอื่อนมาปล่อยถิมอันนี้เขา่มาปล่อยวางคือว่างไวเฮ็ดดีๆล้ว่างไวแล้วนีเอามาใส่อีกก็ว่างเมียผัวกลับไปนี่ก็วางเมียทุ่ให้างกัปล่อยว่างล่อืงแต่เน่มดีกับคุยน้ำสิน่ะเขาเอื่อนมาปล่อยว่าง ไม่ให้ปล่อยทิ้งวางไว้เพราะมันหนักไงแต่คนเรามันปล่อยวางไม่เป็นมันหยิบเอาหมดทุกอย่างมีอะไรก็หยิบหยิบหยิ บ, ย บ, ยบหมดอนะ่ะเขาให้กับเก็บ อ, อะไรที่มันไม่ดีเราจะวางอะไรที่มันดีเราใช้เราเราจะเก็บเข้าฝักเหมือนมีดนี่แหละเก็บไว้ถึงเวลาก็ถอดออกมาใช้อย่าเนี่ยแต่คนทั่วไปเรื่องบอดีนะเก็บใส่หมดแต่เรื่องดีว่าเอาใส่ไม่รู้จกักเห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรประมาณเนี้ย เห็นชั่วเป็นดีหัวหางเป็นขี้เห็นหางเป็นหัวเห็นข้าวเป็นขี้ขี้เป็นข้าวดูดิมันยากไปหมดเ่ะเพราะนั้นใส่ใจกับชีวิตตัวเองมันใกล้ฝั่งแล้ววเราเป็นไม้ได้ฝั่งแล้วไม่รู้จะหลุดล่วงผุพังวันไหนมันเสื่อมสลายตายไปทุกวันทุกวันน่ะาปฏิบัติธรรมนะมาสร้างสังคมตัวอย่างให้คนเห็นนะ จุดตะเกียงไหวแย่งท่าห้คนดีได้เห็นหงวงมืซุ่มบอดใบสิ ม, มีหูความไหนมันไม่มาสนใจหรอกคนโง่ๆมันก็ดูไปงั้นแหละมันไม่ตื่นเบื่อตื่นขู่ตื่นคนมาหรอกว่าเขาเห็นยังมันก็บื่อตื่นนี่เราตื่นนะเนี่ยตื่นแล้วเรามาฝึกมาปฏิบัติหูวจักกุพเนธยังนะเพราะว่ามีการปฏิบัติธรรมที่ไหนพระสงฆ์ไปผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติท่อที่ไหนถ้าหากว่าหัวหน้าชุมชนกลุ่มบคุคคล น, น, นั้นคนนี้สถานที่ น, นันไม่เข้าฝึกผลปฏิบัติธรรมเนี่ย หัวจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงเขาว่ามันใช่จริงจริงนะเราต้องไปเรียนรู้ต้องไปเข้าใจคือหมายาว่าถ้าไม่รับรู้เรื่องที่มันมีปรากฏการณ์นในสังคมที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยผู้อื่นเขาจะว่าไงโอ้เจ้าก็บรสอนใจเนาะเจ้าก็บรรลุเรื่องเนาะเจ้าก็เป็นผู้นำชุ่มซนะุ่นเนาะเจ้าก็เป็นผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคำนั่นเนะาะบรรลุเรื่องนี่เจ๊ อ่าเจ้านั่นผูดยังไบ้างเจ้านั่นพูดวา่าท่องถามเจ้านั่นพูวันนี้เขาถามมาบ่รู้เรื่องผมก็บอกเคยผมก็บอยจักจักเป็นไปได้ไหนเห็นมัเอาไปมาก็คืดไร้ได้เนี่ยผมมันคืดไร้เนี่ยเราว่าหัวเจ็บหัวะอะไรครับเป็นหลอกไม่เกณฑ์นเนี่ยเป็นอันของดีๆเป็นหน้าแสวงหาแล้วก็สเสวงหานะ่ที่สเสแวงหามาปฏิบัติคําหน้านะ่ยถือหมอนมาด้วยลูกหนึ่งนะโยมเนี่ยถ้าอยากสบายนะเหมือนพระนี่เห็นไหมพระเขาจะเอาหมอนรองก้นเนี่ย เบาหมอนลองก็มานั่งสูงสงเนี่ยมันไม่ปวดหลังนะบ่แม่น่าหมอนมาเพื่อไป็นนั่งในทางจงกลมหน่อยได้โคตรเนียวนะยบางคนเ่ยว่าปฏิบัติทำมาหลายมือ ก, ก, กูเก่งขึ้นและแหละไปตักเต็มถ้วยกว้นหน้ามึงนี่เศาเศาเงานอนคือเกาเอาพอดีเอาพอดีอย่าประมาทถ้าประมาทจะแย่เลยเอาพอดีแหละอาหารการกินสํารวมมินซีสโพชนีมัดตันยุตาของเรานี่ยอดเต็มอัตรา โพชเนมัตตันอยู่ตรงกูเอาพุงเป็นประมาณเอาพอดีกินพอดีถ้ากินพอดีไปเดินจูบกูมันจะเบาง่ายเบาลุ่งนี่ลงตาซื้อเค้กมาเนี่ยอาจารย์ตาซื้อเค้กมาใหญ่เบิ่มเลยเนี่ยว่าจะเอามาตัดอยู่ในนี่มาคิดดูนะนึกเห็นภาพทันทีเลยนะเป็นคนกินเค้กซื้อเค้กซื้ออะไรเนี่ยอาจารยมาเคยไปบินธบาร เ, เนี่ยบ้านภูเพชรเนี่ย หน้าบ้านของโยมร้านค้าเนี่ยสมัยลุทตามาอยู่ใหม่ๆไปบินทาบาทตอนเช้านะลุกตายังจำภาพติดตาเลยเนี่ยเห็นเด็กสามคนมานั่งล้อมอยู่แล้วไม่รู้มันเอาเทียนมาจากไหนมันไม่มีเทียนมันเอาไม้ลำปอนะมันจุดแล้วมันก็เสียบมันว่าเกิดวันเกิดมันเนะ่ะลุตตาหมองดูตรงกลางเฮ้ยกองขี้ควายนั่นน่ะว่ะ มันจุดไฟแล้วมันเสียบอยู่ในกองขี้ควายแล้วมันก็คุยมันก็ว่ากันแฮปปี้เบอร์เดย์โอ้วัฒนธรรมหนอนะวันเกิดพระพุทธเจ้ามันไม่รู้แต่มันรู้วันแฮปปี้เบอร์เดย์ของมันเน่ะอ้อมกองขี้ควายแล้ว่ะที่เป่าลงตาว่าโอ้ยเศ้าๆด้วหล่ะเดี๋มันประเคนเคลกเดเนี่ยว่าจะทําอะไรวันเกิดครับหลวงตาโอ้ยอยากจนจังเนาะลูกหลาน เขาก็อยากเป็นอยากมีแต่เขาก็ดูแล้วมันเป็นกองเป็นกองเขาจะตัดเค้กแล้วตัดไปทำอะไรตัดแล้วจะไปทำอะไรเถอว่ามีดตัดมันก็อีโต้ถือมาระวังนะมันกระเด็นกระดอนถูกกันนะบบอกเค้กกระเด็นกระดอนก็เลียเนาะอันนี้มันจะเลียได้หรือกองขี้ควายก็กองใหม่อยู่หรอกมันยังมีกลิ่นอยู่ควันตุ้ยๆอยู่มันดูหนาวนี่แหละมันนั่งล้อมอยู่ทาเนี้ย ก็กำลังเหือนะเขาจุดไม้เสียบเอาไว้สามอันเด็กสามคนโอ้โอปิลึกนะในเมืองเขาดีกว่านั้นทั้งเมาทั้งอะไรมากมายหลากหลายนะเด็กแค่เรียนแบบนั้นก็ยังไม่มีอุปกรณ์ลนะสงสารนะสงสารถ้าเขาได้เรียนแบบพ่อแม่ทำแบบที่ถูกต้องไว้ให้เขาเนี่ยจะดีมากนะ แต่นี้วัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นหมดมีในโทรทัศน์มีอะไรซะทั้งผัดเป็นน่ะคนทํารายการธรรมะดีๆจะดีมากๆเลยนี้มันไม่ค่อยมีเร า, าไปดูช่องาศาสนาสิไปดูช่องาศาสนามันก็ไม่มีอะไรฟีทีีมันก็ไม่มีคนดูเรตติ้งมันไม่ดีอย่างว่าก็ต้องทําให้มันดีเด็ยทาให้มันดีเอาคนมาสแสดงสแสดงเรื่องชาดกห้าร้อยชาติเนี่ย เกิดตายเกิดตายเป็นนู่นเป็นี่บาปกรรมนี่เราแ้่ว่าจะได้ท้อนรับดีอยู่นะคนเนี่ยคนจะสนใจดีอยู่แต่นี่มันยังว่านันนี้นะเป็นเรื่องโลกๆลกไปหมดนั้นลูกหลานเราเคยเลยจุ้งยากปัจจุบันเนี่ยแค่ใขยากลำบาก